ผิดอะไรเข้าใจใครก็ต้องอยากเจอสิ่งดีไม่โทษเธอเธอในวันนี้ต้องการที่จะไปไมีแค่ใจดวงดี เขาคงมีให้มากกว่าใจฉันมีให้ไม่พอมันมีที่ต่ำที่สงต้องเข้าใจไม่มีประโยชน์จะรั้งจะฝืน จะอย่างไร ฉันไม่โชคดีอย่างนั้นฉันเลยไม่มีใครมันมีที่ต่ำที่สูงต้องเข้าใจไม่มีประโยชน์จะรั้งจะฝืนเธอไวเจอย่างไรก็ต้องอ 天空无晚鸦。<音><音><音> ยงรักเธก็คงต้องแพ้ไปให้ไปเทียบกับใครก็ไม่มีค่าถูกกันแล้ว งรัก